ผูดงข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจาเป็นของพระผู้บวชเป็นสักยะบุตรพุทธชินโอรสปรากฏในพระทศ า, ส, าสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผยย่อมถือบิณฑบาตเป็นงานสําคัญประจําชีวิตดังอนุาสาวร์ษสอนไว้ซึ่งมีทั้งข้อรุกขมูลเสนาสนะและข้อบิณฑบาตซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนที่สําคัญหลังจากการอุปสมบทแล้วพระพุทธเจา้าขอทรงสนพระไถ่จะทรงถือเป็นกิต จ, จําเป็นประจํา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 เช่นเดียวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พักหนึ่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในเวลานั้นหนึ่งผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้วเวลาเดินบินธบาติขณะที่ได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวารย่อมเป็นเครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้โดยลําดับหนึ่งเพื่อดัดความเขียดคลานประจํานิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทําเหตุซึ่งเป็นคู่ควรแก่กันหนึ่ง เพื่อดัดทิฏฐิมานะที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจากตะปูสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วสังเกียจต่อการโครจรบินธบาตอันเป็นลักษณะคนเที่ยวขอทานท่าเดียวได้อะไรมาจากบินธบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปไม่พอภูนส่งเสริมกําลังทางกายให้มากอันเป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจให้เข้าไปได้ยากการฉันคนเดียวก็ควรฉันพอประมาณไม่มากเกินจนท้องอืดเฟ้อ ย่อยไม่ทันเพราะเหลือกําลังของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาทำทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกขโดยไม่เหลือนอกจากฉันคนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีกด้วยว่าอาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกายไม่ทําให้ท้องเสียและเป็นคุณแก่จิตภาวนานสะดวกจิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปทําลายเช่นเผ็ดมากเกินไปเข็มมากเกินไป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 ผู้ฉันคนเดียวพักทางความรู้สึกตัวได้ดีไม่ฟงเฟอ้เอเห่อเหิมในรสอาหารชนิดต่างๆการอยู่รุกข ม, มูลร่มไม้เป็นวดัดข้อดีการบินทบาทเป็นวัดก็ดีการฉันคนเดียวเป็นวัดก็ดีสําหรับพระธุดงกรรมฐานล้วนเป็นอุบายวิธีฝึกปรมานกิเลสตัวพาดวงจิต ด, ดิ้นรนกวัดแว่งให้ลดกําลังลงไม่ฮึกเหิมลําพองออกนอกลูกหนอทางเหมือนมา้าโตพยศแวกแนวจากสนามรบฉนั้น คุณสมบัติแห่งธุดงเหล่านี้ทำให้ร่างกายจิตใจเบาฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดาตายก็เมนมีกำลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการและฉันทิบกิจับจับท่ำเพื่ออันเป็นการบงรงมากไปผิดกับลักษณะของพระธุดงกรรมฐานผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันในบาตเป็นวัดฉันในภาชนะเดียว นี้หมายถึงการฉันสำรวมในบาตรบรรดาอาหารคาวหวานต่างๆนำเข้ารวมลงในบาตรใบเดียวทั้งสิ้นไม่แบ่งแยกไว้ในภาชนะใดที่อยู่นอกบาตรอันเป็นความมากๆเหลือเฟือเสียศักดิ์ศรีของพระธุโงผู้ตั้งตนอยู่ในความมากน้อยสันโดซึ่งเป็นความเหมาะสมดีแล้วไม่ถรงพลังทั้งการเตรียมฉันเตรียมนั่งเตรียมนอนต่างๆคุณสมบัติที่เกิดจากการฉันในบาตรมีมาก ตามแต่กําลังสติปัญญาของแต่ละรายจะขุดค้นขวนกวายขึ้นมาใช้สําหรับตัวทุกองนี้มีอย่างต่ําอย่างกลางและอย่างเยี่ยมอย่างต่ําแม่จะนําอาหารลงรวมในบาตแต่ก็แยกไว้คนละด้านได้เช่นข้าวอยู่ด้านหนึ่งหวานอยู่ด้านหนึ่งหรือมีอาหารชนิดที่โคนกั้นได้เช่นกล้วยเป็นต้นกั้นไว้ไม่ให้คละเข้าวกันอย่างกลางแม่นาอาหารรวมกันอย่างเช่นอย่างตำ่ำ แต่อาจแยกกันโดยปริยายไม่ผสมกันทีเดียวอย่างเยี่ยมไม่ว่าข้าวหรือหวานนำเข้าผสมกันไม่ปรากฏว่าข้าวข้าวหวานอยู่คนละด้านเลยทำให้ผสมกันหมดก่อนจะลงมือฉันก็รำพึงถึงปัจจุเวคขณะก่อนคือปฏิสั่งข้าโยนิโซปินดาปาตังปฏิเซวามิเป็นเครื่องพิจารณาโดยแยบขายในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียว ตามกำลังสติปัญญาที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ต่มกว่าหนึ่งนาทีเพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีนั้นมีซ่อนเร้นอยู่ในอาหารผสมอย่างลึกลับท้งจะได้เห็นตัวตันหาที่คอยแอบแฝงมากับความหิวโหวยอย่างไม่คาดฝันในวันหนึ่งแน่นอนตามปกติความหิวโหวยของธาตุขันท่านมิได้จัดว่าเป็นตันหาแต่ความหิวอันเป็นตัวตันหาที่คอยแอบตามมากับธาตุขันนั้นเป็นความลึกลับอยู่มาก ยากจะเห็นและจับตัวมันได้เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับาธาตุขันที่กำลังหิวโหวยในเวลานั้นจนไม่ได้สนใจว่าความหิวของาธาตุก็มีกิเลสประเภทบางเงาแฝงมาด้วยการพิจารณาก่อนฉันหรือกำลังฉันไปตามลำดับแห่งการฉันจึงมีทางรู้เรื่องของกิเลชนิดแอแฝงนี้ได้ดีและเห็นคุณของปฏิสั่งฆ่าโยนิโซว่าเป็นอาวุธเครื่อง ประหารกินเอสประเภทบางเงาได้อย่างดีเยี่ยมแม้กิจนอกการในใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมทำบทนี้จนกลายเป็นผู้มีทำบทนี้ประจําใจทุกอิริยาบถการแยกแยะต่างๆทั้งชนิดอาหารและวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มากเกรงจะฟั่นเฟือเกินไปทุดงข้อถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัด เป็นการตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดีกิเลสชนิดนี้เป็นที่นาเบื่อหน่ายในวงนักปราดทั้งหลายแต่เป็นที่กระยินลืมตัวของพลาชนทั้งหลายพระธุดงที่ต้องการความสวยงามภายในคือใจสะอาดผ่องใสจำต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราขับจะห่อเฮินเดินเมฆไปทางอากาศนี้เที่ยวส่ะสแสวงหาผ้าบางสกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตามป่าช้า หรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลายมาซักฟอกแล้วเย็บปฏิปะตอเป็นสบงจีวรชังคาติใช้สอยพอปกติกายและบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัยอย่างหายกางังวลไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใ ย, ยผูกพันกับใครและสิ่งใดนอกไปจากธรรมที่กำลังขุดค้นบำเพ็ญอยู่ผ้าบางสกุลในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นผ้าที่ไร้คุณค่าและความหมายจริงๆเช่นผ้าพันศพ ผ้าที่ทิ้งอยู่ตามถนนทนทางไม่ใช่ผ้าที่ศรัทธาตั้งใจถวายเป็นผ้าบาังสุกลุลดังที่เป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันนี้ผู้ที่สามารถชักผ้าชนิดนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าสละความนิยมจากทางโลกเปลี่ยนใจออกมาเป็นความมีคุณค่าและความมุ่งหมายในทางธรรมนับแต่ชีวิตอันภาปรางกายลมหายใจทุกส่วนมอกเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุ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 คือได้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมดทางที่จะแย่งได้ทุดงขวัตที่เป็นเครื่องท่ามซอนพระให้ทําตนเป็นเหมือนผ้าที่รู้ก็มีความม่วงหมายทำนองนั่นเหมือนกันคือเพื่อคุณค่าทาง จ, จิตใจทุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นธรรมเนียมของพระทุดงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาในสายตาของท่านอาจารย์มั่นท่านถือเป็นทุดงสําคัญข้อหนึ่ง ในบรรดาทุดงทุดงทั้งหลายทุดงที่ท่านปฏิบัติกันมากมาเป็นประจำคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดอยู่รกขมูลร่ไม้เป็นวัดถือการบินทบาทเป็นวัดชั้นคนเดียวเป็นวัดชั้นให้บาดเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธข้าวบรีจีวรที่ท่านผู้มีศรัทธาถวายสําหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆจนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิต ข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านในกี่องค์ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือในสัตชิคือไม่นอนเป็นคืนๆไปตามแต่งจะกาหนดถือห้ามอาหารที่ตามทรงทีหลังพยานใหญ่ข้อเหล่านี้ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่นส่วนข้ออื่นๆ น, นอกจากนี้ก็ปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราวแต่จะขอผ่านไปเพราะได้เคยอธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้ว ท่านผู้ประสงค์อยากทราบโดยละเอียดโปรดูหมวดธุดงสิบสามในธรรมวิภาคปริเฉศสองหากจะอธิบายบ้างก็ขอยกออกมาเป็น ต, นตอนๆที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงแต่ละรายไปสำหรับสายท่านอาจารย์มั่นท่านชอบปฏิบัติเป็นประจำข้อมีดังที่ระบุมานี้ส่วนขันธวัสิบสี่มีเสนาสนาวัตเป็นต้นก็จะไม่ขออธิบายเพราะมีอยู่ในหนังสือทั่วไปหาดูได้ง่ายเช่น วินัยมุกเล่มสองเป็นต้นถ้าประสงค์อยากทราบก็กรุณาหาดูตามนั้นพระธรรมฐานท่านปฏิบัติตามทุดงสิบสามและขันธวสิบสี่นี้เป็นประจำแม้จะมีเปลีกย่อยออกไปบ้างก็อยู่ในหลักใหญ่ที่กล่าวแล้วมิได้ปฏิบัตินอกลู่นอกทางไปอื่นแต่การปฏิบัติและประสบเหตุการณ์นั้นมีแลกต่างกันไปบ้างเป็นรายรายตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกัน โดยมากปลายที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยมักจะประสบเหตุการณ์มากกว่าการอยู่ป่าธรรมดาแม้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นต้นตระกูลของพระธุดงกรรมฐานสายนี้ก็ชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเป็นนิสัยและชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่าอยู่เขามากกว่าจะสอนให้อยู่ในที่ธรรมดาฉะนั้นการประสบเหตุการณ์ของพระผู้ชอบอยู่ป่าป่าเปลี่ยวนั้นจึงมีมากและมีอยู่เสมอ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 ผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อนมิใช่เรื่องของตัวประสบเองเมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจึงขอฝากข้อคิดไว้พระเทระรูปนั้นปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัยไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชนพระเนรท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยลาพังในป่าในเขาลึก ทั้งเพื่อประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับคือพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมพูดผีนาอสุรกายต่างๆพวกภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลายท้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในตัวในสามพจนนี้เลยสัตว์พิเศษเหล่านี้อาราธนาท่านขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่ว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 ไม่ค่อยมีความให้อภัยสัตว์โลกกันแท้ที่ในจิตเลยนอกจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมในใจแม้กาจะอยาก็าถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต้กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกันเทวดาทั้งหลายไม่ได้ถือมิได้รังเกียจแต่มนุษย์จำพวกนี้มีน้อยมากและหาครบได้ยากแม้เขาจะสามารถให้ความร่วมมือแก่เราเพราะความดีของเขาที่ฉลระเพื่อผู้อื่นด้วยวิธีต่าง แต่เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องและติดต่อกับเราโดยตรงได้นอกจากความดีที่ประสานกันอยู่เท่านั้นมนุษย์พวกนี้ทำความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทาง อ, อ้อมทั้งที่แจ้งและที่รับไม่มีการสถานที่ไม่มีประมาณแม้พวกผู้ผีผที่มีกคำเบาพอประมาณก็ได้รับความเย็นจากมนุษย์จําพวกนี้แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจําพวกกายทิพย์พลอยอนุโมทนากับเขาอยู่โดยสมัอเสมอ ขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์แก่โลกได้นานๆกว่าจะระโลกนี้ไปสวยสมบัติอันมีค่าของตนของตนสำหรับพระคุณเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษมีทั้งศีลมีทั้งธรรมงามทั้งใจสว่างสวัยด้วยความรู้และคุณธรรมหน้าเคารพเลื่อมใสามากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขออารัพนาอยู่ที่นี่โปรดสัตว์เป็นนานๆเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกผู้อาภัพ ความมีพบภูมิตามสายตาของมนุษย์ทั้งหลายจะได้พากันมาฟังโอวาทคำสั่งสอนและเพิ่มพูนบุญญาบรรมีให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปและเป็นปัจจัยแก่มาผลิพานอันเป็นธรรมสุดโลกดังนี้ท่านเลาว่าเวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึกโดยมากมีแต่พวกกายที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเมืองบนเมืองล่างตลอดหน้าและพูดปีทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืน การทำความเพียรก็เป็นไปตามเวลาไม่ได้หยุดหย่อนการพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบายการต้อนรับแขกรึบลับก็ไม่ได้หยุดวันคืนหนึ่งๆไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่เฉยๆแต่เป็นความสะดวกธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเนนมากๆซึ่งหาความสงบไม่ค่อยได้ขณะที่มาเกี่ยวข้องกันส่วนกับพวกกายทิศจะเป็นภูมิใดก็าตามแม้มีมาเป็นจานวนมากก็เป็นเหมือนไม่มี การแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้วนๆไม่ได้ใช้กําลังกายขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏในเวลาแสดงธรรมให้ฝูกมีฟังขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมกันสาธุกการสามครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟัง การสนทนาถามข้อมูงความรู้ความเข้าใจจริงๆเช่นเดียวกับผู้เดินทางสายที่ตนยังไม่เคยเดินกลัวผิดทางถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆฉะนั้นบางพวกขอสนทนาด้วยภาษาไทยธรรมดาแต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์แต่ก็ทรากความหมายของบาลีนั้นๆอันอยู่ในความหมายแห่งภาษาไทยอันเดียวกันท่านเล่าว่าเวลาออกจากสมาธิแล้ว ท่านพยายามจดบาลีปัญหาที่เทวดาถามไว่มากมายสมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนถามให้ท่านแปลให้ฟังท่านอาจารย์มั่นว่าบาลีเป็นศัพท์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่ ว, วไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคําเฉพาะบุคคลการสถานที่เท่านั้นจะนําออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้แต่ความชัดเจนตามที่แปล ออกจากบาลีทั่วๆไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคล น, นั้นเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจริงไม่อยากแปลเพราะคําที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นคําบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคําห้ามหรือตักเตือ น, นใดๆก็ดีจ้องเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้น ผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นย่อมขัดต่อความมุ่งหมายของธรรมซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้นผมพอเข้าใจธรรมที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อเทวบุตรท เ, เทวดาและเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่เสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดา ทำดังกล่าวจะเกิดได้บางทีเดินชมกลมอยู่ก็เกิดนั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบินทบาตก็เกิดฉันจังหารอยู่ก็เกิดพูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกําลังแสดงคำอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดเกิดไม่เดือกการสถานที่และอิริยาบถถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ทำเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิดเพิ่งเริ่มเกิดบ้าง้อเมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆห น, น่อยๆขึ้นบ้างจนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาทำเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกาลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ทำเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลืกว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตามจ้อมถือเป็นธรรมเฉพาะตัว เข้าใจจำเพาะตัวไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการสร้างความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากทําบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของทําบทนั้นมาก่อนที่ถ้าเราให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมดว่าเป็นธรรมจำเพาะตัวใครตัวเราเะนั้นผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟัง แม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสําคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากคำที่ผุดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังแล้วท่านก็ไม่แปลให้ฟังเสียแต่เราก็ไม่ได้ข้องใจสงสัยอะไรเลยความจริงก็เป็นดังท่านพูดไม่มีผิดผมยอมรับคําอย่างเทิดทูลไม่มีที่แยง้งเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่า เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบางน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มัน่นบางครั้งมาในราวห้าสิบหกสิบบางครั้งราวร้อยสองร้อยบางครั้งราวห้าร้อยหกร้อยบางครั้งก็เป็นพันพันแต่ห่างห่างมาเครื่องนุงห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้าง สีแดงล้วนบ้านเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใครเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามะกะชาวพุทธมีกิริยามัญญาสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จีบเรื่อยใจ มนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของผ่าหมาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจจ า, า, า์บาตาบาใจเกินไปเห็นแล้วทุเตรต์รงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทาหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใคร เล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกระอเยาะเย้ยแล้วหืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองแานก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งกล่า ว, าวทั้งที่บ้ายังตี่ตัวไปด้วยะเลอท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่งผู้เขียนก็ปากอยู่ไม่เป็นสุข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 เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อร้านเหมือนคนเมืองอื่นยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือยิ่งกว่าครูเสียอีกทั้งจําอะไรๆที่แปลโฟแปลจ้ลาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งการแต่งกายแบบเมืองเทพซึ่งใครๆไม่เคยไปเห็นแม้พวกนักท่องเที่ยวอวกาศก็ไม่มีหวังจะได้เจอได้ชมการแต่งกายของพวกเทพ พอจะนำมาอวดโลกได้เลยด้วยแล้วถ้ามนุษย์ได้รับการแนะนำแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะกันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้ผมเขียนว่าคําพูดของท่านมักพิสดารเกินไปถ้าขืนทำตามท่านผมต้องมาได้อยู่ในเมืองไทยแน่ จะต้องถูกในประเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นแล้วจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั่นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่แน่เพราะูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูสงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้ยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประนาม ถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนทั้งผู้รับกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาอย่าหานคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพระมาเมช่นนี้นิดเลยแม้จะพูดดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูนธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี้เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมสอนโลกที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เรา ถ้าเราไม่งงจนเกินไปเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองไม่ได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ประกฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนาเอาขนรทมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องสวยที่สุดสาหรับผู้จะเริ่มคิดนำ ร, รมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทำไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดผู้เขียนเรียนทานวากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเอง แต่ท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่คนฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลำพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมต่ า, างๆกันบางพวกชอบรับสินกนฟังธรรมบางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำมากกว่า บางพวกชอบฟังธรรมจักกะปะวัฒนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียะเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังฆาธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆ ต, ต่างๆกันตามจํานวนของพวกเทพที่มานั้นๆต่าง ม, มีความรักชอบทมไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่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 เขามีความทราบซึ่งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆเดี๋ยเวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอให้สวดมนตนน์สูตรนั้นสูตรนั้นให้มากกว่าสูตรอืนอ่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอืนอ่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่า อาตมาสวดมนต์สูตรนั้นนั้นเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะมาให้ได้ยินอย่างไรได้ทำเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวรทยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั้งโลกธาตุวรนดาผู้ควรจะทราบได้พระอระหันต์มาแสดงทําให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้าแห่งหนึ่ง ตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งชื่อพระพากุระรูปร่างขาวสูงสวยงามอ่ะมองเห็นแล้วหน้าครบเปลือมใสทันทีท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริหารชิ้นหนึ่งของท่านหายหายยังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนา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 ท่านก็ไม่ได้บนบางสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทําไมทราบได้บริขารนั้นก็ไดกคืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าขณะที่พระอรหันทร่างมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้นท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือทุดงขวัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าเคารพเลื่อมใสจึงดนบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านขอแสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่าน จะสอนเน้นหนักลงในทุดงขวตัตว่าจงพยายามรักษาทุดงไว้ให้มันคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยจะเสียทุดงขวตัตเสื่อมก็เท่ากับาศาสนาเสื่อมแม้กคำพิธามทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าเก็บผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรทุดงขวตัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาทุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุก ป, ประเภทไปจากทุดงขวตัตนี้ทั้งนั้น เพราะทุดงเป็นธรรมเครื่องทาลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงขวัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงขวัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงอันเป็นเครื่องทาลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้าง จะเป็นทางรั่วไหลายแตกซึมแห่งมรรคผลนิพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาทุดดวงวัดกันทั้งนั้นใครประมาททุดดงว่าไม่สําคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสําคัญในตัวเองท่านทวงรักษาความสําคัญของตนไว้ด้วยทุดดวงวัดผู้มีทุโดงงวัดเป็นผู้มีอํานาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้ เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัดประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นช้ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัดเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสําคัญทั้งที่ธุดงควัดเป็นธรรมสาคัญในาศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัดเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสาศนา ผู้มีธุดงประจําตัวคือผู้รู้ความสําคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสําคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชย อ, อย่างถึงใจผู้มีทุดงควัต ด, ดีเป็นผู้มีจิตใจมเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่หลายมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรค กีดขวางทางเดินเพื่อมาผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัตยังเป็นประยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจําให้ถึงกิตคิดไตร่ตรองให้ถึงธรรมคือทุดงควรัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองทุดงควรัตนี่แลคือบ่อกเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลย เมื่อพระอาหารหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอาหารหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยางอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงค์วตดและธรรมอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้จอมปรากมาเมตตาสั่งสอน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 ตามพระอาหารหันต์ท่านไปจนได้ทงความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆเลยมักผลนิพานเหมือนกับอยู่ทั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหลจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมดไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องโผพันจิตใจให้ลำบากลำคาญเหมือนที่เคยเป็นมานต่อกันมาเลย เดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมท่านแสดงไว้ว่าธรรมปิติสุขัางเสตติผู้มีความปิติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เพราะความปิติยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมากเห็นผลอยมพทันตา ทางภายนอกมีพระอาหารหันต์องค์วิเศษเหอมาโปรดเมตตาทางภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรกากฏทราบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยากป่าฟ้าแดนดินถินถ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนๆก็ไม่มีให้เจอทำไมเจอจะความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านทีเพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมและธรรมก็อยู่กับใจ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 จะรู้เห็นและได้ยินได้แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิบาทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกว่าท่าไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติ คือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้าแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนวินธบัตรทั้งไปและกลับขอกินเวลาราวสองชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติบตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บําเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลาบากกันดานใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดเดิมไม่จืดจาง คืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระตาศพเถระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมาเราก็มีเบรคข้ามล้อเหมือนรถจน์เราแล้วก็ค่อยๆ ย, ย้อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วนั่งพระเพียรเปรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มด้วยรัศมีแพรวา ว, ร, าวรอบกงค มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตารากับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยหยูกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียกเปรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังทามานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่า เป็นอย่างไรขันธปันจกกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัฏะของท่านพอเป็นประยุรหรือกิจพอจะเห็นโทษและเบื่อนายต่อการเกิดตายบ้างหรื อ, อยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่ากิจที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตการจนนับประมาณมิได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับ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 ท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงที่แรกท่านเรียนตอบพระอระหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันของกล่าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกสากายตุด ป, ปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมัวสมกับสิ่งที่เป็นานภายใน ซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถ <c oughs> เมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางธูดงควร์เช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวารสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาุดโดงควัต์ตที่อาจารย์องค์นั้นกําลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดง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 ผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตรตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกาลังอยู่บำเพ็ญเวลานี่แหลการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เ ก, กลื่อนกลลวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมัรทุขให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ประวังไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ประวังกัน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 เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกขนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรื อ, อยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วตจะเกรงกลัวและหาทางออก ไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำซ้ำซากซที่นาลำคานของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ทรายซึ่งวุ่นเป็นสมมุติสิ่งทําให้ติดข้องได้เดีวยวกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพนทุกข์ และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอายบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความผูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดดงควัตรที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนแต่ถอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าทุโดววัตร ต, ต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่า ผู้ดงข้อนั้นๆเพื่อแก้กิเลสบาปทำต่างกันอย่างไรบ้างและอันวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุ้ดงแต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกผุ้ดงนั้นๆสามารถซื้อถอนได้โดยสิ้นเชิยถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของผุ้ดงได้โดยถูกต้อง เพราะธุดงเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากกว่ามากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชย อ, อยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับทุดงเป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลําดับไม่ติดอูเพียงแค่คําว่าถือธุดงเท่านั้นซึ่งเป็นความโง่เขลานอนใจ ไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนชุดดงแต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติปัญญาไตรตรองให้ละเอียดทีท้วนเป็นข้อๆไปท่านจะได้รับประโยชน์จากชุดดงไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือประจำชุดดวงดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลยท่านอัจฉริยชนทั้งหลายมีความรักชอบทำเหล่านี้มากและท่านฝาชีวิตจิตใจไว้กับทำเหล่านี้กันทั้งนั้น ท้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติธุดงว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สําเร็จไปได้ดีไม่มีอุปสรรคและดํารงอริยะประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยะประเพณีที่ท่านดําเนินมาทุกยุค ท, ทุกสมัยไม่ว่างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจําต้องมีธุดงคขวัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าธุดงคขวัตเหล่านี้ จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจํากับทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสานาปัจจุบันจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจําต้องประกาศสอนทุดดวงวัตรแกร่ภิกษุ บ, บริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะทุดดวงวัตรเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่ง ผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจยอยู่แล้วแกได้ปฏิบัติตามธุดงขวัดด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทังกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล่าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเรียนถามข้อของใจในระหว่างพระอาหารหันต์ท่านหยุดทั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ตรรนิพนธจนถึงสมัยนี้ทนับเวลาก็ได้สองพันกว่าปีแล้ว ถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึอยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออนานาจกฎอนิจจังส่วนธรรมาที่สมัยที่พระเจ้า และพระสาวทั้งหลายตรัสโลและบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเขาโครงแห่งมรรคผลิพานเหลืออยู่พอคุรบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิบัติข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสืมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทนองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสปาชนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึง ซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลงมาโปรโดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประธานกลาบเรียนถามข้อความใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลิพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมติทั้งหลายยังจะกลับเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรปรวนทำขก็แปรปรวนโลกเสือเส่อมทำข้อเสื่อมโลกศูนย์ทำข้อศูนสิ่งต่างๆหมดความหมายลง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 ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไรเลยนอกจากขยาวสอศาสนาและจิตใจประชาชนให้คุณโมเท่านั้นพระอาหารหันต์ตอบท่านว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษทัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนส ม, มุติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอันิจังทำก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไันมีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านคิวหาประสาทคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ ที่มีจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรูและบรรลุข้างหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ่งสิ้นอริยชาติอรัยวาสอริยวงไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลาดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและธรรมดียิเสร เป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นกวันตากวัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะทำมิได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคําว่ารรมเป็นอาการิโกทําไมไม่เอาทำฝากแดนสมมติบริสุทธิ์สุดๆแล้วจะไม้อะไรเป็นธรรมมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอาการิโกนั้นแหล่คือทำแท้ จะอ่ในขอบเขตขอ่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วท่วไปเช่นทำเจริญบ้างทำเสื่อมบ้างเป็นต้นอันจึงกฎเดียวกันกับโลกทั่วทวไปซึ่งมาจัดเข้าในธรมรมสาระดังทำในพระทัยของพระทเจ้าและทำในใจของพระขีนาสพทั้งหลายที่เป็นอาการลิกธรรมล้วนๆไม่มีกฎใ ด, ดๆเข้าไปอาจเอื่อมทำลายได้ ทำประเภทนั้นแหลคือธรรมสาระแท้เป็นธรรมไม่มีเหตุบัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้ยังเป็นธรรมที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะพบนักถือหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยใจสมบูรณ์และเป็นอาการิี่กระทอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ทรกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็กดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมสารานี่แหละการประนิพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณะโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุท ธ, ธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรรักษ์ที่มีประจำสอดสังขารทั่วไปเท่านั้นไม่ได้เป็นความประทับประเวณีถึงองค์พุท ธ, ธะที่บริสุทธิ์ อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสริมคลายหรือขาดศูนย์ไปแต่ไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะพระนิพพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิกรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แม้ปรนิพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถืบกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้มิได้อยู่กับการสถานที่อดังที่เข้าใจกันแต่ทรรอยู่กับธรรมมิได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ธรรมสาระนี่แหลเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทั้งนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้คนพบหรือไม่ค้นพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็าตาม ทำก็คือทำอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่คล้ายๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าพรริานิพพานไปนานแล้วตั้งสองพันปีสามพันปีมาผลนิพพานได้ร่วงโรยหม ด, หมดเขตหมดสมัยไปตามโดยทิ่งเิงแล้วแม้จะพากันปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากกล่าวโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้ นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้ า, าผู้ทรงประกาศสนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประฐานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจํานำมาคิดและศึกษาให้ทวงเวลาล่าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลย นอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดิมของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระาศาสนาอันเป็นธรรมของาศาสนาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนําคําพูดกวักน้ำนั้นมาเสียดแทงตัวเองเราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่นาสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ ซควรนำไปทําประโยชน์อะไรได้พระอระหันต์ทังสอนซ้ําอย่างถึงใจอีกว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแสงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขายังมีในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโส ม, มมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งาศาสดาองค์ส ม, มมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า สำหรับกระผมเองไม่ได้มีความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะกิจหนึ่งทุกๆขณะกิจและอิริยาบถต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผลนิพพานจากสว่าขาจะทำอยู่อย่างเพลินใจเท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากจะเพียงกาลังของตัวก็เกรงว่า จะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้ข้องใจในเรื่องดังกล่าวมาเพราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริ ษ, ษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาปโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงนถือโอกาสกราวเปลี่ยนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กับผมเอง และประชาชนจะมีหูดตาสว่างบ้านเพราะความเมตตาที่สะพมโสดสงไวน้นี้พระอระหันต์ท่านให้ขวา้าตอไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท่ท่านควรดูวารรจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม่นิดก็ควรทราบว่าเป็นภยัยและมีทางกําจัดให้สิ้นไปได้เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังสามานั้นมาก ปลาทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ทำทาบทต้นให้ทั้งราติข้างว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับทําให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติจึงสามีจีกรรมัมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้นแม้อะไรอะไรทั้งสามโลกกระทาจะยกพวกยกคนมาบังคับไม่ให้ทําให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลย ทำต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอํานาจสามารถติด ก, กั้นมรรคผลที่ผานได้โดยไม่เหลือการสถานที่และบุคคลนั้นมีใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตรงงมโคลนเหยียบน้ําให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้จิบหายไปเปล่าด้วยอํานาจฝ่าโง่เขาบีบบังคับฉุดลากไปนั่นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละราย สัตว์จะทำเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายถูกมัดคือทุกข์กับสมุทยัยทั้งสองนี้แหละที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จักเป็นกับตายเพราะริบมันดีบคันชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นวัคคณิพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อ ย, ยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทําให้หมอสติปัญญาความคิดที่เคยฉเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมด ไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกแสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจสแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาภาพต่างๆเกี่ยวกับตัณหาสามตัวคือการมตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตัญหาเป็นผู้นำและนำให้คิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและผลทุกข์มาเผาลนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลง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 นี่คือเครื่องมือแม้สมุทัยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทำหน้าที่ดับทุกไปเป็นลำดับตามอำนาจของมรคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกันมีนิโรดกับมรคมีเท่านั้น เป็นผู้ทำหน้าที่หรือถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะนี้ซึ่งเต็มไรด้ดยธรรมของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมานั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกกอควรแสดงออก เพราะโอกาสแห่งธรรมสาขาชาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระาอารหรันทนหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์อง น, นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยตอไปว่าพระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทางความประพฤติมัญญาตผู้เคร่องชัดในพระวินัยคือผู้มีมัญญาตกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤต การแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องปิดสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไปอยู่ในป่าในเขาหรือรเผชิญอันตรายต่างๆก็มีก็ไม่มีอะไรกล้าทําลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุย๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลม่ให้รั่วไหลแตกซึม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 นียาในกระทำนี้เลยท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อทำเพื่อวินยัยอันเป็นพรนามของาศาสดาน้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตนความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้ขณะจะเคลื่อนย้ายองค์จากที่และเหาะลอยขึ้นบนอากาศท่านได้มองดูท่านอาจารย์องค์นั้นด้วยความอ่อนโยนด้วยเมตตาอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆเหาะลอยขึ้นอย่างเชิงช้า อันเป็นเชิงเรียกความสนใจไฝ่ฝันยึดมั่นเป็นอตีตารมไปนานๆแก่ท่านอาจารย์องค์นั่งเพ่งเล็งท่านด้วยความเลื่อมใสอะไรเสียดายทางกิจตภาวนาเรากลับไม่กระพริบตาใจเลยในขณะนั้น